มันก่อนไปที่เชียงใหม่ก็ไปเห็นสาลานึงเออเราก็ขึ้นเคยเข้าไปไหว้พระเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ต่อนะนะเหลือแต่เสาเคยอดีตเคยเป็นเสาไม่สัก ต, ตอนนี้มันก็เสาไม่ฐานเลยนะก็ตอนนี้ก็มุงฐานเสาฐานฟ้าเป็นฐานไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เออมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตามวัดต่างๆเนี่ยที่จุดเทียนจุดทูบทั้งหลายเนี่ยราระวังให้ดีเนี่ยนะไอบูชาเนี่ยบูชาเป็นเรื่องดีแต่ว่าไอการไม่ดับไฟไม่ดีเนี่ยนะ เพราะว่าขณะบูชาขณะหนึ่งขณะที่เผาบ้านเผาศาลาเผากุฏิก็ขณะหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสองฆ์องค์เจ้าทั้งหลายบางทีก็สวดตราเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดเระหังอิติปิโสเสร็จแล้วก็ไม่ยอมดับไฟเมื่อไม่ยอมดับไฟก็ออกกุฏิไปบินฑบาตกลับมาอีกทีหนึ่งก็เหลือแต่เหลือแต่เท่าฐานเนี่ยนะครั้นี้ทําไงอะ่ะใครจุดคนนั้นรับผิดชอบนีนะคนนั้นจ่ายเนี่ยใครจุดคนนั้นจ่ายก็ถือว่าเป็นของสงฆ์เพราะฉะนั้นก็ เพราะว่าแสงไฟจากศาลาที่แสงไฟศาลานี่บูชาได้ไหมขอจุดศาลาเป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นบูชาไหมกนเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วนะนั่นนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ด exactly hey, evet. ีพ่านก็ต้องระวังว้าใครที่ชอบไปจุดทูบจุดเทียนบางทีมันน้ำมันมันไหลใช่ไหมไขมันไหลออกไปมันก็สามารถที่จะลวกท่วมไปหมดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นสมัยใหม่ก็เรื่องไฟฟ้าเรื่องอย่างอื่นมันก็ดีกว่าแสงเทียนเนี่ยนะบางทีเราก็เห่ไอประเพณีวัฒนธรรมจุดเทียนเนี่ยนะเห่จนมากก็ไอประทีปแปลว่าแสงสว่างเขาบูชาด้วยแสงสว่างเพราะเราก็ไปเข้าใจผิดว่าหมามันจะต้องเทียนเท่านั้นแหละแต่บางทีก็ต้องเดินเวียนเทียนซะลวกมือหมดเลยเนี่ยนะ นั่นลวกมือไหมมือหมดเขาบูชาด้วยแสงสว่างเขาไม่ได้บูชาด้วยน้ําตาเทียนเนี่ยนะน้ำตาเทียนบูชาเป็นที่ไหนมันบุญข้อไหนในบุญดาบุญกิริยาวัตถุสิบมันเราก็มีปัญญาหน่อยว่าเออเนี่ยวัตถุประสงค์ของจุดทูปคืออะไรทูปะของหอมสมัยก่อนมันไม่มีอะไรนะรูปแบบเครื่องหอมเนี่ยเพราะนั้นจุดทูปก็คือต้องการให้ความหอมเป็นทานจุดเทียนให้แสงสว่างเป็นทานหรือเรียกว่าตามประทีปเนี่ยนะ ก็ต้องไม่ลืมว่าเออเนี่ยให้ความหอมกับให้แสงสว่างเราสามารถทําอย่างอื่นได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องมีโทษในวันหลังเนี่ยนะมันบางทีเนี่ยโอ้ยขาดจุดทูบจุดเทียนไม่ได้เนี่ยนะกลายเป็นว่าจุดทูบจุดเทียนมันเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยเงือหยดเงือย้อยอยู่ตรงนั้นแหละบางทีไปที่ไหนแดดเปรี้ยงๆก็ต้องไปจุดทูบจุดเทียนอยู่ตรงนั้นโอ้ยร้อนระอุนะบอกโอ้สัเพสัตาเวราหุนโตเนี่ยนะก็จะเจริญเมตตาให้ป้ายเนี่ยนะขอให้มีความสุขกับละการเนี่ยนะ ก็ว่ากว่าจะจุดสําเร็จหน้ากลิ้มกลับมาเลยเนี่ยนะแต่แล้วก็ไม่ได้สวดมนต์อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะมันร้อนระอุ ก, กระบนกระวายว่าหนักๆเข้าไอ้ไม่รู้อะไรคือบุญก็ไม่รู้นะไม่รู้ไอ้แสงไฟหรือแสงทูบก็ไมร่รู้มันเป็นบุญคันเนี่ยงงเลยกันเนี่ยเอาไปเอามาบุญกิยาวัตถุกสิบวันนี้ได้บุญมาทั้งวันจากอะไรบอกเงือกจดติ้งๆเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันทํายากทําเย็นปีทำครั้งเดียวพอลวแล้วก็กลายเป็นว่าบุญเกิดได้หน่อยเดียวเนี่ยนะก็ ทำไปทํามาไม่รู้ทําบุญหรือทําอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วก็พยายามจับสาระให้ดีว่าเออการบูชาเป็นต้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าสมัยใหม่นี่รู้สึกว่าวัฒนธรรมเผากุฏิมันมีค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะเพราะจุดทูบจุดเทียนในสาราในวัดเนี่ยวันก่อนก็มีการโฆษณาชักชวนกันไปทําบุญก็บอกว่าเพราะสาลากา ร, ปรเปลี่ยนถูกไฟไหม้บอกเออใครจุดคนนั้นก็รับผิดชอบไปแล้วกันเนี่ยนะ ว่าจริงๆแล้วมันมีโทษเนี่ยเนะขาควรระวังเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเนี่ยบางทีเห็นคนอื่นเขาจุดเอามั่งเนี่ยนะเนี่ยนะ ก, ก็ต้องระวังไม่กระทั่งการไปประทักศินก็เหมือนกันเนี่ยนะไปประทักศินก็ต้องดูว่าอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์หลักของการให้แสงสว่างเนี่ยบูชาด้วยแสงสว่างเขาไม่ได้ถือไฟเดินรอบส า, าราหรอกประเพณีอันนี้เขามาทำเพิ่งทําไม่นานนี้เองเ น, นะ เพราะฉะนั้นก็น้ําตาเทียนนี่มันหยดใส่มือเสมือลวกหมดเลยเนี่ยนะไอคนเดินหน้าเดินลังเนี่ยนะก็จะดีนะได้เห็นโทษของกลางใช่ไหมกางทั้งหลายเหมือนหยดน้ําตาเทียนนี้หรือเปล่านี่ยนะถ้าเห็นได้ขนาดนั้นก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะทีนี้ขนาดไฟภายนอกเนี่ยนะไฟภายนอกเนี่ยเผาไหมแต่บางครั้งเนี่ยนะไฟเหล่านั้นพอมาถึงหญ้าสดมันก็ดับถึงหนทางก็ดับถึงภูเขาก็ดับอย่าง เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้เนี่ยนะถ้าไปทางภาคเหนือเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าดูจากข้างบนลงไปเนี่ยมันจะมีดวงไฟเผา น, นะนะหรือไปเดินขับรถผ่านภูเขาทั้งหลายอะไรเนี่ยพับเพลิงเนี่ยเผาสแสดงลุกช่วมเนี่ยนะก็ไฟลุกท่วมภูเขาไปหมด น, นึกถึงว่าสรรพสัต ท, ทั้งหลายที่อยู่ณนะบริเวณนะั้นเนี่ยตายเท่าไหร่นาะเนี่ยนะแล้วก็ไฟเนี่ยเผาเผาเผาป่าเนี่ยนะเผาลุกลามอนาบริเวณเป็นร้อยไร่พันไร่นี่ยแหละ แต่ขนาดไฟเหล่านั้นภายปที่สุดก็ดับไปสมัยที่ชนทั้งหลายสแสวงหาไฟบางทีไฟมันหายากมากเลยนะบางทีมันไม่มีไฟเนี่ยนะโบราณแล้ววิธีทำไฟให้เกิดขึ้นใช้ขนไก่บ้างขูดหนังบ้างเป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะจุดไฟใช่ขนาดไฟที่มันลุกลามเผาไหม้ใหญ่โตก็ยังไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไฟเหล่านั้นยังยังหมด ไทยจะคิดนัว่าดวงอาทิตย์ยามร้อนระอุพอตกกลางคืนเย็นแล้วจะกลางคืนแล้จะเยือกเย็นเลยนะอย่างเช่นแผ่นดินทะเลทรายเนนะี่ยแผ่นดินทะเลทรายเ น, นี่ยกลางวันเนี่ยร้อน4ี่เป็น40องศา50องศาไปก็มีตกกลางคืนนั้นเป็นยังไงอากาศติดลบนไกลางวันก็ร้อนระอุกลางคืนก็ติดลบแล้วใครที่ไปอยู่บริเวณนั้นเอาอะไรมายุยืนละ่ะนไร้อนเย็นเย็นร้อนๆอนเย็นวิโรธที่ปัจจัยจะไปไหนใช่ไหม ก็รูปทั้งหลายเพราะพแปลว่าอะไรรูปแปลว่าอะไรรูปปณะนะเสียนเสื่อมสิน้นแล้วก็สลายไปเนี่ยนะบอกว่าเตโชาต ธ, ธาตพายนอกอยังสิ้นไปเสื่อมไปบอกว่าอย่าว่านี้เลยเพราะในโลกนี้อะไรมันจะส่องสว่างแล้วก็ร้อนแรงเท่ากับดวงอาทิตย์มีไหมมีดวงอาทิตย์เนี่ยแสงส่องสว่างแล้วก็ร้อนแรงเคยเห็นดวงอาทิตย์ตกพลึกไหมดวงอาทิตย์หมดสภาพอันนะเมื่อไม่นานนี้เขาออกข่าวมาว่าดวงอาทิตย์หมดสภาพ ตกผลึกกลายเป็นก้อนเพชรเนี่ยนะเพชรใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าเครื่องเจีรไนเพชรก้อนนั้นต้องใช้เท่าโลกเพรางั้นนะตัวเครื่องเจีรไนเพชรอันนั้นเนี่ยเพชรอันนั้นใหญ่คือดวงอาทิตย์ที่มันมันค่อยค่อดเพชรจริงๆแล้วค่าที่เป็นจริงของเพชรคืออะไรนั่นแหละชั้นใดก็ดีพวกพวกดวงอาทิตย์ถ้ามันในที่สุดนะมันเผามาหลายๆพันล้านปีแล้วมันตกพลึกนะพอมันตกพลึกปับ๊บมันก็จะกลายเป็น เป็นเพชรไปเมื่อกลายเป็นเพชรเข้าเนี่ย น, นะต้องเอาโลกเรานั่นแหละระดับเครื่องเจียเท่ากับโลกนี่แหละจึงไปเจียรนานเพชรก้อนนั้นสำเร็จเหมือนันนะั่นก็ยังลอยอยู่ในอวกาศอยู่นะเพชรก้อนนั้นแต่ว่าห่างจากนี้หลายเป็นร้อยปีแสงอะนนะั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นปีเป็นเป็นปีปีแสงอันนะัหลายปีแสงอ่ะใครอยากจะใช้เพชรก้อนนั้นก็ไปเถอนะนัใหญ่กว่าโลกก็แล้วกันไอ้ก้อนนั้นะนะไม่รู้ประดับตรงไหนอ่ะเนาะที่จริงในพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวถึงว่าสมัยที่ พระพุทธเจ้าประตรัสรุเป็นต้นเนี่ยนะพรมเนี่ยเอาเพชรใหญ่เท่าขุนเขาซีเรอุเนี่ยมาเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเพชรเนี่ยก้อนใหญ่ขนาดนั้นก็มีบอกเออแล้วไปเอาก้อนจากไหนก็พวกดวงอาทิตย์เป็นต้นมันตกผลึกกลายเป็นเพชรอ่ะนะเอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาบูชาพระพุทธเจ้าได้นั่นนะก็บอกว่าเอาสรุปทบทวนว่าอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ยังดับไฟที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไฟเหล่านั้นก็ยังมอดแล้ว ธาตุไฟที่อยู่ในกายเรานี่แหละไอ้ธาตุไฟที่เรายึดถือไอ้ความอบอุ่นอยู่แค่30มสิกว่าองศาเนี่ยนะในร่างกายของเราซึ่งมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันจะไปยั่งยืนมั่นคงอะไรขนาดภายนอกยังไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปและธาตุไฟที่อยู่ในกายนี่แหละนะที่เรามายึดถือว่าเราว่าของเรามีอยู่มันตั้งอยู่ตลอดกาลเล็กน้อยเนี่ยนะ กายไฟในกายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็เป็นของที่แปรปรวนทาไมมันจักไม่ปรากรยังไงไกายนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นความยึดถือด้วยามสามารถตันหามานทิฏฐิในเตโชธาตนนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยคือธรรมานัสการโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสนาพิจารณาความไม่เที่ยงของเตโชธาตในภายนอกแล้วน้อมมาเปรียบเตโชธาตในภายในเตโชธาตในภายนอกที่มันลุกลามใหญ่โตก็ยังแตกยังดับได้แล้วเตโชธาตในภายในเราจะไม่แตกจะไม่ดับจะไม่สูญจะไม่สลายไปได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจริญไปอย่างนั้นเตโชธาตจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเตโชธาตจะไม่เป็นที่ตั้งแห่ง มานะเตโชธาตจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิไปได้ทีนี้ต่อไปอีกบอกว่าผู้ที่เจริญไปอย่างนี้เนี่ยนะบอกว่าจริงมันมันตกไปไปเยอะเหมือนกันนะต้องมีมปยาอยู่ข้อหนึ่งหากว่าชนเหล่าอื่นจะด่าดจะตัดเพาะจะกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุผู้เจริญธาตุ กรรมฐานเช่นเจริญอะไรอ น, นิจจาทุกขะอ น, นิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนาตานุปัสนาในปัทวีธาติอาโปธาตเตโชธาต์ตรงนี้เราพูดมาถึงเตโชธาต์เนี่ยนะคนที่พิจารณ า, าพิจารณาด้วยอ น, นิจจานุปัสนาเป็นต้นในเตโชธาต์แล้วถูกด่าล่ะพิษสูนัน้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุจะมีไม่ได้ทุกขเวทนาอาศัยอะไรจึงมีได้ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได้เนี่ยนะอาศัยโสตสัมปัตใช่ไหมภิกษุนั้นเห็นว่าผัสสะก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง จิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์ด้วยอนุปัสนาสนั้นอะ่ะเที่ยวของพิสษุนนั้นเล่นไปไม่ติดขัดตั้งอยู่ได้ด้วยอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาแล้วก็วิราขานุปัสนาเป็นต้นเล่นไปด้วยอนุปัสนาเนี่ยนะอย่างว่องไวหากว่าชนเหล่าอื่นจะพยายามทําร้ายภิสูจนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร้ไม่น่าชอบใจด้วยฝา่ามือก้อนดินท่อนไม้ และศาสตราภิกษุนั้นรู้ชัดด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นที่ตั้งที่เป็นไปแห่งฝการประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินท่อนไม้ด้วยศาสตราอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าจะเพ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเรื่อยอันมีด้ามทั้งสองข้างท่า ภิกษุใด ย, ยังใจให้ประทุสร้ายหรือโกรธในโจรพวกนั้นชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราเพราะเหตุนั้นเพราะอะไรถ้าโกรธก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนอันหนึ่งความเพียรอันเราปรารอบแล้วจักไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วจักไม่หลงลืมกายให้สงบแล้วจักไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วจักเป็นเอกคตา คราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือจะเป็นไปในกายก็ดีการประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้ด้วยศาสตราจะเป็นไปในกายนี้ก็ตามทีเธอแปลว่าช่างมันเถอะเนี่ยนะมันจ ะ, จ ะ, จ, ะจะถูกทุบถูกเกลี่ยถูกตีจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดกับช่างมันเถอะเราจะทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้จงได้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 ไม่เป็นลาบของเราลาบไม่มีแก่เราเราไม่ได้ดีแล้วเนอะการได้ดีไม่มีแก่เราแล้วหนอที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้วิปัสนาอุเบกขา อันอาศัยกุศลธรรมก็ไม่ตั้งอยู่ได้เสียใจเออน่ะนะคือสังเวชสลดใจว่าโอ้นี่เราไม่ได้ดีแล้วเนาะได้มาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนและกุศลธรรมก็ยังไม่เจริญอีกเนี่ยนะแม้ควรแก่การอะไรสังเวชั้นนะสังเวชจริงๆเนี่ยนะสังเวช ส, สังเวชตัวเองจริงๆหมนนั้นะ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 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันพิกษุทําำให้มากแล้วเนี่ยนะเรียว่าจิตที่เล่นไปตามกุศลธรรมนี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสอนจิตที่เล่นไปในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอย่างนี้แหละเรียกว่าประพฤติปฏิบัติเจริญงอกงามในศาสนธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ในมาขึ้นวาโยธาดข้อ345ผู้มีอายุทั้งหลายก็วาโยธาตเป็นไนวาโยธาตที่เป็นภายในก็มีวาโยธาตที่เป็นภายนอกก็มีธาตุลมะนะล ม, ลมลมเนี่ยลมก็คือเน้นพัดๆนั่นแหละมันไม่อยู่นิ่งอ่ะทำให้ไม่อยู่นิ่งนั่นแหละเรียกว่าธาตุลมวาโยธาตที่เป็นภายในเป็นไนอุปาทิน a g a รูปอันเป็นในภายในเป็นของพัดไป เป็นของพัดมาหรือทั้งพัดทั้งไปพัดมาเนี่ยนะเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนทำให้เรหรือสะอึกเป็นต้นลมพัดลงเบื้องต่ำเช่นทำให้เกิดการขับถ่ายหรือว่าลมที่อยู่ในช่องท้องคือลมอยู่นอกลำไส้เนี่ยนะลมที่ตั้งอยู่ภายในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ทำให้คู่ออกเหยียดเข้าเนี่ยนะให้ลุกให้เดินให้เหินเป็นต้นไปได้เนี่ยนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ก็หรือว่าอุปาทินากะรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนันเป็นเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของพัดไปพัดมาเนี่ยนะอย่างอื่นทั้งหมดในกายนี้เรียกว่าธาตุลมภายในก็วาโยธาต์อันใดแลเป็นไปในภายในวาโยธาต์อันใดเป็นไปในภายนอกทั้งหมดนั้นก็เป็นวาโยธาเนี่ยนะหัวใจที่เต้นสูบฉีดทําให้เลือดสูบฉีดนี่เพราะอะไรธาตุ วายโยธาเนี่ยได้ไมตึกตึกตึกตึกใหมมันเด่นลมหายใจ ก, การสรพัดอะไรว่าการกลิ้งเกลือกสายตาการเหลือบการแลการเหลียวการคู่การเหยียดการลุกการเดินการนั่งพลิกซ้ายพลิกขวาหันหน้าหันหลังพวกนี้ทั้งหมดด้วยอนุภาพของวายโยธาทั้งหมดเนี่ยนะ ทีนบัณฑิตเห็นวาโยธาตทั้งหมดนั้นแหละว่าไม่ใช่ของเราด้วยอนิจจานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยทุกขานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาบัณฑิตเห็นวาโยธาดนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาเพราะอะไรเพราะเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนามากนิพพานุปัสสนาย่อมเจริญย่อมเป็นไปยังจิตให้คลายกำหนับใน วาโยาธาตสมัยที่วาโยาธาตภายนอกกําเริบมีได้แลย น, นะเคยเห็นพระวาโยาธาภายนอกเคยเห็นพายลมเห็นลมพายุที่มันพัดกระหน่ามาชนิดรุนแรงพัดบ้านพัดเมืองไป็นต้นไหมเพราะอะไรเพราะวาโยาธาตบางอย่างเนี่ยมันพัดเอาบ้านพัดเอานิคมพัดเอานครพัดเอาประเทศมีอยู่ช่วงหนึ่งลมพายุมันเข้าแรงที่จะพัดอเมริกาเมื่อไม่นานเนี่ยนะเราแม้ต้องขนย้ายเครื่องบิน ย, าย้ายทัพผสมภาระออกไปเยอะแ ย, ย, ยะเลยเนี่ยนะเพราะคืนวางเอาไว้ตรงนั้นแผล เครื่องบินอาจจะเปลีวก็ได้เนี่ยนะเครื่องบินอาจจะเปลียวเพราะลมมันแรงขนาดนั้นเนี่ยนะเรียก ว, ว่าอาคารบ้านเรือนเสาไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยถูกพัดกระ น, นําไปหมดอันนี้เพราะอะไรเพราะปวายโยท า, าคลื่นลมที่ร้อนแรงร้อนระอุเนี่ยเรียกว่าไม่ลมแบบลมลมบวกกันน้ําด้วยใช่ไหมทั้งลมทั้งฝนเนี่ยนะทำให้คลื่นในทะเลเนี่ยมันรุนแรงเพราะฉะนั้นเรือนเนี่ยจมตายไปเท่าไหร่แล้วนะเพราะคลื่นลมเนี่ยนะเพราะคลืน่นเพราะลมทั้งหลายนั่นแหละ ทีนี้วาโยธาภายนอกที่ถึงมันจะร้อนแรงขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยจ้ะแทบไม่มีลมอะไรเลยบางทีต้องหาพัดใช่ไหมบางวันนี่ลมโชยบางทีต้องหาพัดลมมาตั้งเป่าวัางกันนะ่ยบางทีอย่างชายทะเลเนี่ยโดยมากมันจะลมใช่ไหมบักพักหนึ่งเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยเนี่ยน่ะแมอบอ้าวแล้วครเนี่ยนะทั้งอบอ้าวอาบน้ําทะเลละ่ะอากาศอบอ้าวแล้วอาบน้ําทะเลนี่มีความสุขไหม พอลุกขึ้นมาใหม่แล้วมันอบอ้าวต่อเนี่ยนะก็ยังแช่อยู่ในน้ําทะเลใช่ไหมแล้วก็ไอชายทะเลเนี่ยบางแห่งเนี่ยยุงมันเยอะเนี่ยนะโอ้ยยุงทะเลกัดเนี่ยเจ็บอย่าบอกใครเลยเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่ชำนาญนะนะเจ็บเจ็บเนี่ยนะเขาบอกว่าลมบางทีเนี่ยยังจะหาลมหายากบางทีต้องอาศัยอะไรพัดฮะบางทีเนี่ยชายปลายหญ้าคามันยังไม่ไหวมันนิ่งแล้วก็อบอ้าวสังเกตไหมก่อนฝนจะตกเนี่ยอากาศมันจะอบอ้าวใบไม้ก็ไม่ไหว โอโยมันนิ่งเนี่ยนะถ้ามันนิ่งอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติมันจะเป็นยังไงเนะโอ้โยเห็นโทษของวัตตะเลยใช่ไหมป่าถนานิพพานเลยป่าถนาที่มันชยเล่นสบายเลนะ